กับเราทั้งหลายจากพระธรรมเอเบซัตบทที1่1นึ่งข้อสิาถึงยีพระธรรมเอเบซัตบทที1่1นึ่งข้อสิถึงยีพี่น้องครับก่อนที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะกลับมาอ่านขอพี่น้องเปิดไว้ก่อนนะครับหัวข้อของพระเจ้าของพระเจ้าหัวข้อของการเทศนาในวันนี้บอกว่าดูเตอ่อใจ นะครับแน่นอนว่ามันมีหลายหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีต่อใจใแน่แต่ว่าวันนี้เรามีรายการหลายหลายอย่างนะครับที่เราจะทำด้วยกันในวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเวลาของเราอาจจะใช้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่นั่นก็ให้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของเรานะครับและสิ่งดีต่อใจอย่างแรกที่ผมจะทำในเช้าวันนี้ครับจะ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรของพระงที่มีมาถึงเราทั้งหลายครับขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับพี่น้องที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยครับมีใครไหมครับรู้ตัวเดินออกมาอยากให้ตั้งเรียกชื่อใครครับที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขอเชิญอาจารย์เบนที่วานะครับที่จะเป็นผู้มอบสําหรับอ่า ของเพื่อเลือกของเรานะครับให้กับพี่น้องเราทุกทุคนในเดือนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เดินไปรับเลยครับอ่าเชิญครับอ่าวนไปรับจากอาจารย์เลยครับไม่กล้ารับเลยครับไม่ได้ครับอ่าแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมครับอย่าเพิ่งไปไหน กำ okay. ลังหนุนกำ ล, ล, ลังเน้นครับกำลังหนุกำลังเน้นมน้ว่ี้้งนยไม่รู้จักาดขาก็ไ ที่นี่จะทำการสอนก็ต้อทุาา้วจานก็ใอีกับคุณพรเจ้าครับอือมครับตรงนี้เนงานที่เจ้าขงซอยร้อยก้างองกโอเคอะครับนี่ีน้องสองสุดร์องสุกร์าจากทางงโดยที่พามา กลังะกลับมาแล้วอยู่บ้านนอกไม่ได้ค่ะห่างไกลภรรยาไม่ได้ครับแล้วก็ฝากข้าวสารให้น้องกอยด้วยอันนี้ไม่ใช่เค้ก ค, ครับเป็นข้าวเน้านเราขอเชิญอาจารย์เสรีนะครับอธิษฐานขอพระพรสำหรับพี่น้องที่คลบลอดกันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ร้องล้องเพ็งด้วยกันก่อนฮะ h t d a y to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับให้เราอธิษฐานนะครับสสรนๆพระบิดาเจ้าผู้เป็นผู้ทรงสร้างและผงทรงสร้างคำลาาต่คน การพยายาของพงศ์ขอบคุณพรงศ์สาวพี่น้องที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้ที่เรารู้ว่าโดยพระคุณของพงศ์พวกเราไม่เพียงแต่เกิดมาในโลกนี้ไม่เพียงแต่ได้อยู่ในโลกนี้แต่ทั้งหลายได้รับความรอดในพิธีสกิดทั้งหลายมีวันเกิดที่เกิดมาในโลกนี้และทั้งหลายมีวันเกิดฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณสรรเสริญพงค์ที่ทั้งหลายได้รับสิทธิพิเศษที่รู้ความรักของพงศ์หลายเท่าตัวรู้ทั้งความรักที่พงค์ให้ทั้งหลายเกิดมารู้ที่พงศ์ไม่เพียงแต่รักทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้แต่พรงค์ไทยข้ามง์ ท่านหลายให้พ้นจากความแบบท่านหลายมีชีวิตไม่เพียงแต่่ายร่างกายแต่มีชีวิตป่ายวิญญาณที่อยู่กับพงนิรันดร์าการถ้าแต่พรเจ้าในขณะที่พง์ยังให้ข้าพเจ้อยู่ในโลกนี้ขอเจ้าใช้ทุกคนที่ได้เอ่อเป็นวันลึกวันเกิดในเดือนกุมภานี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักจะใช้ความรักของพรงออกไปให้ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดได้สัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระง์ให้ชีวิตของเขาเต็มล้นด้วยความรักของพระงเป็นน้ําพุเที่ออกมางอยากใจค้าพยจ้ามรศิสึกของพงทํางานเพื่อทุกคนที่ได้สัมผัสจะรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชอยู่ และเมื่อคนสงสัยว่ามีพระเจ้าอยู่ไหมเมื่อเขามองเห็นชีวิตของคนเหล่านี้รู้ว่าพระเจ้าทรงประเจนอยู่ขอบคุณสรนเสริมพงค์ในพระนามพระเยซูเจ้ า, จาอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับและนี่เป็นพระพรที่เราได้เห็นและได้ร่วมกันรับใช้พระเจ้านะครับผ่านทางพี่น้องที่ทำให้หัวใจของเราก็รู้สึกเชื่อมงยินดีนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิต แล้วก็ความเป็นอยู่ความรักและ พ, อพอระพรอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าพระคัมภของพระเจ้าในวันนี้เอเฟอซัสบทที่หนึ่งข้อสิหถึงยีสานะครับเราดูด้วยกันนะครับอยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการอ่านพระชนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอ่านอย่างพร้อมเพียงอ่านอย่างตั้งใจนะครับค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปถึงแม้เราจะมีหลายรายการแต่ก็ถวายเกียรติกับพระชนะของพระเจ้า อ่านสลับกับผมนะครับเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านต่อทรมนิกชนทั้งหมด ข้าพเจ้าอาธิษฐานว่าขอพระเจ้าขอ ง, Pre A องพระเอกรุศิษย์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพียงไรามากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นวทิเดชเดียวกับการทำกิ จ, จกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอํานาจทุกพูดผีที่มีฤทธิเดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่าน้ำทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพร้อมกันครับคิดจาจักรเป็นพระกายของพระคริชซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ พูดส่งเติมทุกอย่างให้ทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าความบริบูรณ์ของเรานั้นมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ ดีต่อใจเราแล้วก็สอนเราให้เราได้รับกําลังและเสริมกาลังที่มาจากพระเจา้าในบทที่หนึ่งของครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของอาจารย์เปาโลเนี่ยได้กล่าวกับพี่น้องชาวเอเปซัสว่าพวกเขามีสิ่งดีๆอยู่ในชีวิตและสิ่งดีนั้นเหล่านั้นของเขาก็คืออะไรครับพระพรฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณที่เขาได้รับใช่ไหมครับพรฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณที่เขามีอย่างมากมายโดยเฉพาะความเชื่อ การทรงไถ่ความรอดและการอวยพรจากพระเจ้าที่มีในชีวิตของเขาและทําให้เปาโลรู้สึกชื่นชมยินดีกับความเชื่อและความรักที่มีของพี่น้องในเมืองเอเฟซัสนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าเป็นความชื่นชมยินดีและเปาโลก็ได้เขียนข้อความเหล่านี้ไปชื่นชมยินดีกับเขาเปาโลขอบคุณพระเจ้ายัางไม่หยุดเลยที่ได้อธิษฐานเผื่อ นี่เป็นการเริ่มต้นของการอธิษฐานของเปาโลที่อธิษฐานผัวพี่น้องชาวเอเฟซัสนี่คือการเริ่มต้นและข้อจบของคําอธิษฐานนี้ไปจบอยู่ที่บทที่3ข้อ21ลงท้ายด้วยว่าอาเมนนะครับนี่คือการเริ่มต้นอธิษฐานและสิ้นสุดคําอธิษฐานอยู่บทที่3ข้อที่21เราค่อยๆเรียนไปได้วยกันวันนี้เอาแค่1 5บหถึงยีก็พอ นะครับทีละเรื่องเหล่านี้และพระเจ้าจะเสริมกาลังและหนุนใจเราอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของเปาโลที่ทําให้เปาโลชมเชยพี่น้องผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เปาโลรู้สึกว่าเฮ้ยไม่พูดไม่ได้ลนะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างของพี่น้องชาวเอเฟซัสและจึงทําให้เปาโลรู้สึกต้องเขียน ต้องพูดและต้องชมแน่นอนบางทีบางครั้งเราเห็นบางคนทําอะไรดีๆเนี่ยนะครับอย่าลืมที่จะให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมเขาสักนิดหนึ่งเพื่อที่เขาเองจะได้มีกําลังใจในการทําสิ่งที่ดีต่อต่อไปนะครับขะอหนึ่งของพระเจ้าในตอนนี้บันทึกเอาไว้ว่าเพราะเหตุนี้ข้อ1ิบห้าเมื่อพระเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในองค์พระเยซูพระเจ้าและความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมด นี่เป็นสิ่งที่เปาโลชื่นชมกับคนในเมู่เอเวอเรชั่นความเชื่อและความรักที่แสดงออกอันเป็นสิ่งที่สําคัญของความเชื่อหลายๆครั้งเราก็คิดว่าเอ๊ความเชื่อของเราจะแสดงออกไปได้ยังไงเมื่อกี้อาจารย์เซลูอธิษฐานบอกว่าถ้าคนไหนบางคนไหนที่ยังสงสัยเรื่องของพระเจ้าว่าพระองค์มีจริงไหมก็ขอให้สา ม, มารถสัมผัสกับพระเจ้าได้ผ่านทางพี่น้องที่มีครบรอบในวันเกิดในเดือนนี้ กำลังบอกอะไรกับเรากำลังบอกว่าชีวิตของเรานี่แหละสามารถแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีและแสดงออกถึงพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้จากการกระทําของเราว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่จริงและพระเจ้ามีจริงผ่านทางสิ่งที่เราได้แสดงออกนี่คือความเชื่อและความรักที่แสดงออกมามีผู้ชายคนหนึ่ง เขาก็พยายามทําสิ่งดีๆหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วสิ่งดีที่เขาทําเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นสิ่งทีเ่เขาทำแล้วมันมีความสุขและดูเหมือนว่าพระเจ้าก็ให้เขาทําสิ่งนี้บ่อยๆเอเขาว่าจะซื้อสิ่งของเนี่ยนะครับไปแจกตามสลัมตามถิ่นที่ยากจนตามเขตที่ไม่ค่อยมีใครสรในใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันหนึ่งเขาก็ไปนะไ ป, ไป เ, อเอานมเอานมเป็นนมอะไนมสําหรับเด็กะ นะครับเป็นนมผงสาหรับเด็กหลายๆกระป๋องนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะไปให้ใครนะครับแต่เขาก็เดินไปตามสลามแล้วก็เพื่อจะเคาะตามบ้านไหนไม่รู้อนะครับที่แบบว่ามีมีเด็กเขาก็จะให้นมนี้กับเด็กเหล่านั้นได้นี่นะครับวันหนึ่งเขาก็ที่ถุงนมเ น, นี่ยนะฮะทีนมหลายๆกระป๋องไปนะแล้วก็ไปเคาะห้อเคาะเคาะประตูบ้านประตูหนึ่งก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าทําไมพระเจ้าถึงให้เขามาเคาะที่ประตูบ้านหลังนี้เอาเคาะปักปักปักปักเสร็จแล้วก็มีผู้ชายล่างดึกดุน สักยันเต็มแขนเดินออกมาจากในบ้านแล้วบอกมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอโทษครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมก็รู้ว่าพระเจ้าที่ผมเชื่อเนี่ยให้ผมมาเคาะบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเอานมหลายๆกระป๋องเนี่ยมาให้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผู้ชายเจ้าของบ้านก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> สักครู่นะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมา ผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกมาแล้วบอกว่ามีอะไรไหมคะผู้ชายที่ถือถุงนมเนี่ยนะครับถือกระป๋องนมมาบอกอ๋อเนี่ยครับผมอธิษฐานและพระเจ้าโดนใจผมมาคอประตูบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเอานมที่ผมซื้อเนี่ยมาให้กับใครในบ้านหลังนี้สักคนนึงนี่แหละผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอขอบคุณพระเจ้าไม่รู้มันเป็นไปนได้อย่างไรแต่ว่า ไม่มีตังค์ซื้อนมใลูกแล้วฉันก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าหนูไม่มีนมไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกอธิษฐานปุ๊บขุนก็เดินมาแล้วก็เอานมเนี้ยมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรักของพระเจ้า เป็นสิ่งที่มาจากผู้ชายคนนี้ได้แสดงออกโดยที่เขามีความความเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยจะสามารถทําให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ได้รับชีวิตได้มีกินได้มีอยู่ได้มีใช้แม้มันจะเป็นสิ่งที่เล็กเล็กน้อยน้อยก็ตามพี่น้องครับนี่คือความเชื่อและความรักที่เราแสดงออกมาหลายครั้งเมื่อเวลาเราไป อาจจะหิวขนมสักถุงนึงอาจจะหิวข้าวสักเขาเรียกว่าถุงหนึ่งก้วยเต๋ยวสักถุงหนึ่งไปแขวนไปให้ไปเอาให้กับใครบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทาและณเวลานั้นเขากำลังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ได้หรือไม้แต่บางครั้งข้อความถ้อยคาที่เราพูดกับใครบางคน เขาอาจจะรื้ฟื้นความรู้สึกของเขาให้กลับคืนมาดีได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้พระเจ้าอยู่หัวมักจะบอกว่าไม่ใช่มักจะพระเจ้าอยู่หัวพูดว่าอย่าทำลายความหวังของใครเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขามีในชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำให้คนอื่นดีต่อใจของเขา และให้เขาได้รับความรักได้รับพระพรของพระเจ้าเปาโลอธิษฐานว่าไงครับคนเอเวเซาถ้ามีปัญญาและสําเดงคือการเข้าใจที่จะรู้จักพระเจ้าในข้อ16ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยและเมื่อเราเลือกถึงท่านในคําอธิษฐานในข้อ17ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดา ผู้ทรงพสริให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสันดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ตอนนี้พิฐานแค่นี้แล้วก็บอกกับมึงเอเวอเชั่นแค่นี้เพื่อท่านจะมีปัญญามีปัญญาอะไรครับและการสันดงเพื่อจะรู้จักพระองค์ แล้วก็ไม่ได้บรรยายอือ่นๆอีกว่ารู้จักพระเจ้าเรื่องอะไรรู้จักพระเจ้าแบบไหนรู้จักพระเจ้ายังไงรู้จักพระเจ้าพราะองค์เป็นยังไงเปาโลไม่ได้ขยายความแต่เปาโลบอกว่าให้เขามีสติปัญญาเพื่อจะรับการสัาเด็และเข้าใจรู้จักพระเจ้าหรือมีจิตวิญญาณแห่งการมีปัญญาที่เขาจะรู้จักพระเจ้าเท่าที่พระเจ้าให้เขาได้รู้จัก เท่าที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เขาได้รู้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้อาจจะเป็นเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้และในเมื่อพระเจ้าให้เขารู้เท่านี้เขาก็ควรจะรู้เท่านี้ถ้าเราไม่รู้และเราบอกว่าเรารู้เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ผิดเพี้ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นเปาโลบอกกับคนในเมืองเอเฟซัส ว, ว่าถ้าพระเจ้าให้ท่านรู้เท่านี้ ก็จึงขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้ท่านมีสติ ป, ปั ญ, ญญาและเข้าใจพระเจ้าได้ในระดับนี้เพราะอะไรครับเพราะความเข้าใจเพราะความลักซึเ้เน้นอาจจะไม่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจมากก็ได้แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมานานั้นดีมากเลยคือแสดงความรักและความเชื่อ แสดงความรักและความเชื่อพระเจ้าต้องการให้เราแสดงออกมาก่อนส่วนเรื่องราวที่เราจะรู้กับพระเจ้ามากขึ้นนั้นเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายต่อไปแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําคือแสดงความเชื่อและความรักของเราออกมาและเปาโลก็บอกกับโมนิเมอรเอเวอเรสต์ในข้อที่18บอกว่าอะไรครับบอกว่าขอให้ตาใจของพู้ท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่า พระองค์ปัน ธ, ธานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านและรู้ว่ามารดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับธรรมนิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่ออะไรหนึ่งเข้าใจความหวังในพระเจ้าเราหวังอะไรครับชีวิตขิ้เซียนไม่ใช่ชีวิตที่หวังน้ําบ่อหน้าใช่ไหมชีวิตขี้เซียนคืออะไรครับไม่ได้ไปรอออกข้างหน้าไม่ใช่ไม่มีความหวังอะไรแต่เราได้รับ แล้วและเรามีพระวิญญาณเริสุดเป็นเครื่องหมายเครื่องมัดจำที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าเมื่เราจากโลกนี้ไปนั่นคือมีความหวังในพระเจ้าดวงที่สองดวงตาสว่างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ถึงมรดกที่บริบูรณรมรดกที่บริบูรนะครับ บรลลูเนี่ยมันมีบรลลูหลายประเภททั้งมอลลูบาศก็มีใช่ไหมบอลลบาศไม่เรื่องเลยครับอะไรที่ไม่ดีไม่ดีจะตกทอกาะไรยังไนะครับอยากได้ไหยครับไม่มีใครอยากได้นะครับมอลลูดเลยครับมอลลูดมีสินโอ้โหพ่อเนี่เป็นไงครับทำไว้นะี่ยโอ้โหมีอะไรครับพอพ่อจากโลกนี้ไปมีสินเหล่านั้นก็ตกมาสู่ยูบหลามอยากได้ไหมครับแบบ น, นี้ไม่มีใครอยากได้ พระเจ้าเนี่ยมีมรดกที่บริบูรณ์ให้กับเราคือความบริบูรณ์แห่งพระสิริของพระเจ้าสําหรับคนที่เชื่อในพระเจ้านี่คือความสมบูรณ์ของพระองค์พระสิริของพระองค์ที่มีบริบูรณ์กับเราผมมีลุงคนหนึ่งอายุ90ผู้เสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วเออปลายเดือนปายปีที่แล้วอายุ90ปีนะครับก่อนหน้านั้นมีคนมึงอายุ107ปีผู้เสียไปก่อน นะครับโดยเขาซื่อสัตย์กับพระเจ้ามากเขารักพระเจ้ามากนะครับรักผูค้คนจนอายุเก้าสิบปีเพิ่งเสียไปนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเสียไปเนี่ยนะครับเขามีความสุขมากอ่ะกับการที่เขาได้อยู่ในพระเจ้ามาตลอดชีวิตของเขานะครับและเขาก็เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อให้กับลูกหลานของเขาได้อยู่ในเส้นทางแห่งความสุขวันที่เขาจะจากไป เขาก็นั่งอยู่เฉยๆนี่เนาะนะครับก็เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนั้นเป็นวันที่พิเศษมากนะครับเขาร้องเพลงเขาตาบอดไม่เห็นแล้วนะครับหูฟังได้นิดหน่อยนะครับแล้ววันนั้นเขาบอกลูกหลานของเขาว่าเอาแบบนี้เอาหมอนมาให้นั่งเพิงหลังหน่อยจะนั่งเพิงหลังกับฝาบาสนะครับเอานั่งเพิงหลังไปแล้วเขาก็ร้องเพลง ร้องเพลงพระเจ้าวิ่งใหญ่ร้องเพลงพระคุณพระเจ้าร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ท่องข้อพระครัมภีร์ที่เขาเคยท่องได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นภรรยาที่แต่งงานมาอยู่ด้วยกันภรรยาก็อายุแปดสิบกว่าละมานั่งข้างๆกันแล้วก็จับมือกันร้องเพลงพระเจ้าแล้วคุณปณู่ก็บอกว่าเนี่ยเอแล้วคุณลุงเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอ่าเนี่ยนะ วันรู้สึกมืความสุขจังเลยนีนะ่แต่ไม่รู้ว่าจะจะตายหรือเปล่านะวันนี้ <c oughs> ยายก็บอกว่าโอ้ยังไม่ตายหรอกมือยังไม่เย็น <c oughs> ยังไม่ตายหรอกมือยังไม่เย็นเดี๋ยวถ้ามือเย็นอะ่ะมันก็ตายเองก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะแล้วเขาก็คุยกันเหมือนกับทบทวนความหลังของเขาสองคนตั้งแต่จีบกันใหม่ๆด้วยนะเอาความหลังในข้อความในจดหมายที่เขาเคยเขียนให้กันสมัยก่อนนะํามาพูดกัน อย่างเงี้ยแล้วก็ลูกหลานเนี่ยนะครับแอบเงื่อนที่หัวบันไดแล้วก็สังเกตดูสองตายายคุยกันนะครับแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องพระเจ้า พ, พูดไปพูดไปพูดไปนะครับอ่านพระคาของพระเจ้าแล้วก็ท่องขึ้นมาในใจผ่านไปได้สักชั่วโมงนึงนะครับแล้วเขาก็หมดบตาลงแล้วก็หยุดหายใจแล้วก็จากไปอยู่กับพระเจ้าคนที่เป็นภรรยาก็ จับ ừ, จับแขงเขาแล้วก็เลือกลูกหลานว่าพ่อไปละตอนนี้มือเย็นแลพ่อมือเย็นละไปแล้วแต่ไปอย่างสงบนั่นคือมรอดอกแห่งความเชื่อที่เขาได้รับมาแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับลูกหลานบอกว่าให้มีความชื่นชมยินดีกับมรอดอกเหล่านั้น นี่คือพระคุณของพระเจ้านี่คือตาใจของคนที่มีความเข้าใจที่ถูกเปิดออกเพื่อเห็นถึงความบริบูรณ์แห่งชีวิตที่เขาจะได้อยู่กับพระเจ้าตาใจนี้ถูกเปิดออกเพื่ออะไรอีกครับอย่างที่สามรู้ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากสําหรับคนที่เชื่อในพระองค์ฤทธานุภาพไม่ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากยังไงครับในข้อสิบเ้าเป็นต้นไปได้บอกกับเราไว้ว่าเราสามารถใช้ฤทธิ์อํานาจนี้ได้ เราสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจนี้ได้เพราะฤทธิ์อำนาจนี้เป็นยังไงฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้กับเรานั้นก็เป็นฤทธิ์อำนาจเดียวกันที่มีในองค์พระเยซูคริสฤทธิ์อำนาจอะไรครับหนึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจที่เหนือความตายมีอยู่ในเราไหมมีถึงแม้ว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามแต่จิตวิญญาณของเราได้อยู่กับพระเจ้าเพราะเรา ไม่ตายเพราะฉะนั้นฤิธิอำนาจนี้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ที่ชนะความตายอย่างไรก็อยู่ในชีวิตของเราเช่นเดในกันที่จะชนะความตายด้วยเหมือนกันตาโลจึงบอกกับเราว่าถ้าชีวิตแห่งการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเชื่อที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าตายแล้วจะไป ที่ไหนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พระเยซูตายความตายของโปร่งชนะความบาปแต่พระองเป็นขึ้นมาการเป็นขึ้นมาของโปร่งชนะความตายเช่นเดียวกันเมื่อเราเชื่อนนในโปร่งเราชนะความผิดความบาปได้รับการอภัยและจิตวิญญาณของเราชนะความตายและอยู่กับพระเจ้าและพระองค์ก็ประทานวิ์อํานาจนี้ให้กับเราวทธิ์อํานาจนี้พระเจ้าให้กับพระเยซูคริส สูงขนาดไหนครับสูงเหนือกว่าบรรดาดผูดถีบปีศาจต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ที่อยู่ในชั้นฟ้าอากาศที่อยู่ในบริวารต่างๆที่เรามองไม่เห็นแต่พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่จะควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้และพระเยซูพระเจ้าเองก็ประทานฤทธิ์อำนาจนั้นให้กับเราที่จะสามารถ ขับผีหรือให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์นี่เป็นสิ่งที่ดีและดีต่อใจของเราอย่างยิ่งเพราะเราไม่ต้องตกเป็นทาสของมันอีกในสมัยเด็กๆในบ้านผมไม่ขายไก่เนะี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ขายนะครับไก่ตัวเป็นๆ เ, เนี่ยนะไก่พื้นเมืองนะครับทั้งไก่ชนไก่ไม่ชนไก่หน้ามาหมดเนี่ยนะครับมับนจะมีไก่ไประเภทขาเหลืองขาดํา ไม่ใช่ไก่เดือดดำนะเนี่ยครับมันจะมีขาเหลืองกับขาดําคนคนพื้นเมืองเวลากินเนี่ยนะครับเขาจะกินไก่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขาเหลืองหรือขาดํานะครับแต่มันจะมีชาวเขาเนี่ยนะครับที่เขาลงมาจากภูเขาเขาจะเอาผักผักกาดโดยผักอะไรของเขาลงมาแลกไก่หรือไม่ก็เอาขอบนดอยลงมาแลกไก่หรือไม่ก็ซื้อไก่ของเราไปนะครับถามว่าเอาไก่ไปทําอะไรเอาไปทำอะไรครับไม่ได้ไปกินนะเข้าไปบูชาผี นะครับเอาไปบูชาผีแล้วเขาเลือกด้วยนะไก่ที่เอาไปบูชาผีเนี่ยต้องไม่ใช่ไก่ขาที่มีสีเหลืองต้องเป็นไก่ขาที่มีสีสีดำเท่านั้นเห็นไหมครับว่าการที่ตกเป็นทาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันควบคุมชีวิตเนี่ยนะเล็กๆล็กไม่นะ้อมันก็ไม่ได้มันก็ทําให้เราเจ็บป่วยมันก็ทำให้เราเจ็บปวด ม, มันทําให้เราตกเป็นทาสและต้องทําให้มันบ่อยๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องตกเป็นทาสแบบนั้น พระเจ้าให้อิสระเสรีและให้ความรักของปรองกับชีวิตของเราและมีวิธิ์อํานาจเหนือวิญญาณชื่อต่างๆเหล่านั้นและขอบคุณพระเจ้าด้วยครับวิธิ์อํานาจนั้นพระเจ้าให้กับขีดจักรของพระองค์ข้อที่ยี่สิบสองยี่สบสาเมื่อกี้ที่เราได้อ่านพระเจ้าประทานวิธิ์อํานาจของปรองให้กับขีดจักรของปรองแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของขีดจักรที่เป็นอาณาจักรฝ่ฝายจิตบิญญาณ เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงคิดจักเลยไม่ใช่อะไรที่เล็กๆน้อยๆนะเป็นอาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณที่เราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคิดจักเป็นพื้กายหมายความว่าถ้าโลกนี้ไม่ไมีคิดจักรคนก็ไม่เห็นความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ถ้าเราพูดถึงพระเยซูพระเยซูพระ เ, เยซูคนเขาจะรู้จักมันก็ยากแต่ถ้าเราบอกว่าคิดจักร พามาบโบสถ์ซีออนพามาโบสถ์นี้พามาโบสถ์นู้นโอ้ที่เหลือที่เขาเรียกว่าคริสจกักรที่เขาเรียกว่าพระเยซูคริสที่เขาเรียกว่าคริสเตียนพามาโบสถ์คริสตจักรแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจากักรอาจจะมีความบกพร่องบ้างก็ตามอาจจะมีความไม่สมบูรณ์บ้างก็ตามอาจจะมีความอะไรต่างๆมากก็ตามแต่สิ่งที่เราเรียกว่าสมบูรณ์นั้นคืออะไรครับความเชื่อ ที่มีในพระเยสุคริสต์และไม้กางเขนแสดงถึงความสมบูรณ์ที่มีในองค์พระเยสุคริสต์วันนี้เราจะมีประชุมประจําปีหรือที่เราเรียกว่าประชุมสับประรุษนะครับเราเรียกว่าประชุมประจําปีเพื่อจะรีลมกันคนที่มีความเชื่อเดียวกันมาคิดด้วยกันมารวบรวมกันมาฟังด้วยกันและมาแสดงความคิดเห็นด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ความสมบูรณ์ของคีดพิจักรนั้นมันมีมากยิ่งขึ้น แล้ววิยาจักรมันไม่ใช่เคลื่อนไปได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันเคลื่อนไปได้ด้วยเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะร่วมกันใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านทางวิทาจักรของเราในตองสุดท้ายในเชาน้านี้ที่ประเทศเวียดนามมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใหญ่พอสมควรและหมู่บ้านเนี้มีหนองน้ํามีแอ่งน้ําอยู่กลางหมู่บ้าน นในหมู่บ้านนี้มีขี้เซียนห้าสิบคนห้าสิบคน <c oughs> ในหนองน้ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนองน้ํากลางหมู่บ้านซึ่งไม่มีที่ระบายน้ําพอเวลาฝนตกมาน้ําก็จะเต็มใช่ไหมครับถ้เวลามันแห้งไปเนี่ยมันก็จะเกิดส่งกลิ่นเหม็นทั้งหมู่บ้านเลยเพราะมันเป็นน้ําเน่าเสีย น, น้ําเน่าขังทีนี้เขาก็คิดไม่ อ, ออกว่าจะทําอย่างไรดีเพื่อจะให้กลิ่นน้นําำมันไม่มีแล้วก็ให้น้ํามันระบายออกไปได้ เพราะว่ามันมีวิธีเดียวก็คือการขุดท่อขุดท่อให้น้าเนี่ยมันระบายออกไปแต่ว่ามันขุดยากและที่เดียวที่จะทำได้ก็คือต้องขุดท่อผ่านสถานที่โบดเท่านั้นสถานที่ของขิดจักรเท่า น, นัเวลาผ่านมนาร้ายสิบปีก็ไม่มีใครคิดจะทำอะไรหรือทำอะไรเกิดขึ้น กระทั่งวันหนึ่งทีคิดจักซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนในชนชุมชนก็ได้รับผลกระทบนี้เหมือนกันจึงตัดสินใจบอกว่าเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบนะและคิดจักเราก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานแล้ะและบ่อน้ําเนี่ยมันก็อยู่ติดโบสถ์แล้วด้วยฉะนั้นเราจะร่วมแรงร่วมใจกันขุดท่อแล้วก็วางท่อเนี่ยให้ผ่านตัว สถานที่เบิดของเราเพื่อจะระบายน้าให้มันไหลออกไปเพื่อจะช่วยบรรเทาไม่ให้กลิ่นนี่มันกระจายไปทั้งหมู่บ้านในที่สุดพี่เสียงก็มาร่วมกันแล้วก็ขุดขุดรูขุ ด, ข ด, ข ด, ขดแล้วก็วางท่อแล้วก็น้ำมันก็ระบายออกไปนะครับพี่น้องที่รักทาแค่นี้นะครับทาแค่นี้เองหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านห้าสิบครอบครัวกลับใจเชื่อพี่จ๋า อยู่ที่นี่มาห้าสิบปีมีคริสเตียนห้าสิบคนแต่เพียงแค่ขุดท่อระบายน้ำผ่านตัวโบสถ์แค่นั้นเองมีคนห้าสิบครอบครัวเชื่อพระเจา้าถ้าเปโลสามารถเขียนจดหมายได้เปโลก็คงจะเขียนจดหมายมาแล้วจะกลับมาบอกว่าโอ้ชื่นชมยินดีจริงๆที่คริสเตียนในหมู่บ้านนี้สามารถแสดงออกถึงความเชื่อและความรักที่มีต่อคนในชุมชนได้มีน้องที่รัก นี่คือคิริจักที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าให้เรามีความรักซึ่งกันและกันและพระเจ้าก็ให้เรามีฤทธิ์อำนาจที่จะกระทําการใหญ่ของพระองค์ได้ด้วยขอพระเจ้าสรงโปรดมิตรตาขอพระเจ้าสรงปรดนําขอพระเจ้าเสริมกําลังเราให้คิริจักรของเรามีพลังที่จะทํางานใหญ่ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นและร่วมกันขับเคลื่อนคิริจักรของพระองค์ก้าวไปข้างหน้า ด้วยการอธิษฐานด้วยการถวายทรัพย์ด้วยการร่วมกันรับใช้และด้วยการรวมนิบัติซึ่งกันและกันขอพระเจ้านำพาเราทั้งหลายที่เราจะเต็มด้วยฤทธิ์เดชอำนาจฝ่ายจิตวิญญาณเป็นด้วยความรักและเต็มด้วยความเชื่อใหเราที่ถานด้วยกันครับ พระเจ้าผู้บิดานำพาให้เราชีวิตของเราเติบโตและเข้งแข็งให้ชีวิตเราวางอยู่ในโปร่งให้ชีวิตของเราเกิดผลร่วมโรงและให้เราขับเคลื่อนกินนจจักของโปร่งต่อไปเพื่อจะให้กิจจักรของพปร่งมีสียงาราศีและใช้ฤทธิตอำนาจของโปร่องอย่างถูกต้องเพื่อจะนําคนในโลกนี้นาคนในชุมชนมารู้จักกับ อ, องค์ผู้เป็นเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน